คุณฟังค่ะเรากําลังฟังรายการสันสนิสนทนาซึ่งผ่านช่วงของการปฏิบัติสมาธิภายใต้การนําของพระมารคชาคาวโรเป็นการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะค่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะพบกับพระภัยบูร์อภิปุลโนช่วงที่นําเอาพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตอบคําถามของทุกท่านเราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะ นำ้ำตการกัน ท, ท่านคะอาจารย์พรค่ะรายการนี้พอถึงวันพุธในช่วงเทศ ก, กาลเข้าพรรษาดังที่ได้เรียนท่านฟังไปแล้วนะคะจะเป็นวันพุธพิเศษที่ท่านไิบูรณ์ได้บรรจงเลือกเอาพระสูตรที่คิดว่าพวกเราควรจะรู้มาทําความเข้าใจกันในรายการค่ะวันนี้เป็นบทไหนกันคะวันนี้ได้รูปรู้เมอุปมาวุปไม้ที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน เล่มที่หลักๆที่เราใช้ในการศึกษาอยู่รวบรวมมาจากหลายพระสูตรเลยในวันนี้คือจากทั้งหมดในเล่มของสังยุตตานิกาย อ, อันแรกก่อนคือพระุทธชาติพูดถึงการประพกแล้วจึงฉันนะเคยอุปมารประไมถึงการประพกแล้วจึงฉันเนี่ยไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อโมเมาเนี่ยแต่ฉันเพียงเพื่อกาจัดเวทนาเก่าแล้วก็ไม่เวทนาใหม่เกิดขึ้นอย่างนี้น ะ, ะได้อุปมาวุปไมเปรียบกับการรับประทานเนื้อบุตร นะนี่เราได้เคยฟังกันไปบ้างแล้วนะว่าเหมือนกับมีพ่อแม่ลูกข้ามทางกันดารไปนะแล้วก็อย่างข้ามไม่พ้นทางกันดารก็เลยเอาลูกมาทําเป็นเนื้อเค็มเนื้ อ, อย่างซะอันนี้กรณีที่1อีกกรณี1เนี่ยยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือเหมือนกับว่าบุรุษพึงฉาบทาผิวกายนะเพียงเพื่อต้องการเสฟหรือว่าหยอดน้ํามันบนเปล่าลรถเพียงเพื่อต้องการให้ขนของไปได้ลักษณะ น, นี้เหมือนเวลาเราทาจารบีที่เปลาล้อรถเนี่ย ทานนิดเดียวไม่ต้องถานมากมันก็ไปได้ <Okay. S 1> แต่ว่านี่คือเรากินอาหารเนี่ยให้กินพอประมาณเวลาในลักษณะการพิจารณาอย่างนี้อันนี้ที่หนึ่ง <Okay. S 1> อ, อุปมาอุปมาอต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของที่พระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคะนะนะพระพุทธเจ้าให้พระโมคคะแสดงธรรมแทนนะเพราะว่าพระองค์เนี่ยรู้สึกเมื่อยหลังก็เลยนอนตะแคงเสียเสยยาแล้วก็ให้พระโมคคะแสดงธรรมให้ฟัง นะซึ่งตรงนี้คําเหล่านี้เป็นคําที่พระเจ้ารับรองละให้พระโมกขรณ์แสดงให้ก็คือพระโมกขรณ์เปรียบเทียบการที่คนเนี่ยไม่สํารวมอินทรีย์การไม่สมรวมอินทรีย์เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้านะเป็นก็เรียกว่าหลังคาหญ้าแฝกอะไรพวกนี้นะที่แห้งอย่างดีทําไว้ในภายนอกในนอกฤดูฝนนะถ้ามีใครสคักคนในคนหนึ่งเนี่ย อยู่ทางมาจากทิศเหนือใต้ออกตกเบื้องบัดเบื้องต่าหรือเบื้องบนเนี่ยเข้าไปหาเรือนเข้าไปใกล้เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้านั้นเนี่ยถือครบลิงหญ้าเข้าไปเนี่ยมันจะต้องได้ช่องได้เหตุที่ทําให้ครบลิงหญย่าเนี่ยติดลุกทั่วกับเรือนหญ่าหรือเรือนไม้อ้อหรือเรือนไม้นั้นเ <Okay. S 1> ปรียบเหมือนกับเธอคนไหนก็ตามนะที่ตาไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันจะได้ช่องมันจะได้เหตุ ชาไหนก็ชาหนั่น <Okay. S 1> นะแต่ถ้าใครก็ตามนะที่มีการสำรวมกายวาจาใจมีการสำรวมอินทรีย์ก็จะเหมือนกับอาคารที่ทำด้วยปูนด้วยซีเมนต์หรือทาด้วยดินขยาทาฉาบทาอย่างดีแล้วเนี่ยต่อให้ใครถือคบเพลิงย่าคบเพลิงย่าเนี่ยที่มาจากทางทิศเหนือใต้ออกตกเข้าไปใกล้เนี่ยจะไม่ได้ช่อง <Okay. S 1> ทำให้อาคารนี้ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้เหตุ แก่คนที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทรงตรัสเปรียบเทียบให้เอากายของเรานี้แหละกายคตาสติเนี่ยเป็นเสาขื้นเสาหลักในการที่ทําให้มีการสํารวมอินทรีย์อันนี้ที่2 อ, อุปมาอุปไมยอันที่3นะก็เปรียบเทียบกับการที่ภิกษุเนี่ยเข้าไปในบ้านเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สํารวมกายวาจาใจนะเปรียบเสมือนกับบุรุษเข้าไปในป่ามีหนามมากพอเข้าไปในป่า มีหนามข้างซ้ายก็มีหนามข้างขวาก็มีหนามข้างล่างก็มีหนามข้างบนก็มีหนามข้างหน้ า, น ข, า, น ข, า, นาข้างหลังมีหนามหมดเลยบุรุษนั้นต้องมีสติในการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังด้วยคิดว่าหนามอย่าเบียดเบียนเรา<ะ>เหมือนกันเลยคือถ้าเรามีอารมณ์อันชอบใจไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยปิยะรูปหรือสาธรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอารมณ์อันชอบใจและไม่ชอบใ จ, จนี่แหละคือหนามในอริยบินยัยนี่เป็นหนาม แล้วก็อุปมาอุปมาอันที่4นะที่จะยกมาให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของอเวลาที่ความเร่าร้อนทางใจเกิดแก่ใครผู้ใดเนี่ยพรพุทธเจ้าบอกว่าอย่างภิกษุเนี่ยถ้ามีความเร่าร้อนทางใจความขัดเคืองความหลงความอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรีบขนาบอย่าให้มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเวลาที่ข้าวกล้า อย่างช่วงฤดูนี้นะเป็นช่วงที่เขาดำนาข้าวกล้าเริ่มโตเนี่ยเจ้าของผู้รักษาข้าวกล้าเนี่ยเป็นคนประมาทแล้วก็มีโคอยู่ตัวหนึ่งก็ลงไปกินข้าวกล้าพอไปกินข้าวกล้าแล้วเนี่ยบุตรชนผู้ไม่มีการสดับไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยพอเกิดความประมาทมีอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจก็มีความโมเมาประมาณในคุณธรรมเหล่านั้นอันนี้อันที่1แต่ว่าถ้าใครก็ตามเป็นผู้มีสตินะ สามารถรักษาตรงนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าเหมือนกับโคเนี่ยนะหนีลงไปกินข้าวในนาใช่ไหมเจ้าของผู้รักษาข้าวกล้าเนี่ยก็จับโคนั้นสนทภายสนทภายนี่ออกมาที่ที่ร้อยจมูกของเขาอะนะแล้วก็ผูกรูไม้ที่ระหว่างแห่งเขาครั้นแล้วก็ตรีกระหน่าตรีกระหน่าด้วยท่อนไม้แล้วพึงปล่อยไปคโคที่กินข้าวกล้านั้น น, นนะเนื่องจากข้าวต้นกล้าเนี่ยมันเป็นหญ้าที่มีรสหวาน โคเน่ก็อยากจะกินข้าวกล้าอีกถูกตีขนาดนั้นนะยังลงไปในนาครั้งที่สองครั้งที่สามแล <Okay. S 1> นะแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยผู้รักษาข้าวกล้าเนี่ยเจ้าของนาเนี่ยก็จับโคนนั้นมาสนตะายผูกไว้ที่ระหว่างแห่งเขาแล้วก็ตีกระหน่าด้วยท่อนไม้อีก uh huh. แล้วก็ปล่อยไปโค น, นั้นเนี่ยพึงเป็นสัตว์ที่ยืนมากนอนมากไม่พึงลงสู่ข้าวกล้านั้นอีกเข็ <Okay. S 1> ดละโดยครั้งที่สามนี่เข็ดละด้วยพลางระดึกถึงการถูกตีด้วยไม้ในครั้งก่อน uh huh. เหมือนกัน จิตของเธอเนี่ยต้องข่มไว้แล้วข่มไว้ดีแล้วในการที่จะเจออายตนะทั้งหมดจิตนั้นเมื่อข่มไว้ดีแล้วเนี่ยย่อมดํารงอยู่ภายในสงบนิ่งในภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกจิตไง <Okay. S 1> นี่เหรอไหมต้องฝึกมันตีมันบ้างไม่ให้มันกินบ้างอย่างนี้เวลาจิตคิดนั่นนี่ปรุงแต่งมากฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องขนาบเขา uh huh. พอเขาถูกขนาบมากครั้งเข้าเนี่ยเขาก็จะ เ, เข็ดหลาบเก็ดจำไม่ฟุ้งไปนู่นไปนี่ได้<ะ>มีเรื่องหนึ่งคือเรื่อง <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงพระราชาหรืออมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงพินนะก็เลยบอกให้ก็เลยเอพอมีคนทําเสียงพินขึ้นพระราชาเนี่ยก็อกโอ้เสียงนี้เสียงอะไรเนะาะไพเระจัง <c oughs. S 1> นะก็เลยบอกให้ ขราชาบริพานเนี่ยไปเอาพินมานอยากเอาเสียงพินมาพวกขราชาบริพานก็เอาพินมาให้พระราชาก็บอกอุย้ยไม่ได้ต้องการพินฉันต้องการเสียงพินเอาเสียงพินมาให้ฉันค่ะพวกขราชาบริพานก็บอกว่านี่ไงคือพินนะสามารถทําเสียงได้มีเครื่องประกอบหลายอย่างมีตรงหัวตรงนี้มีตะบอง ม, มีอะไรต่อมีแท่นมีอะไรต่างา ม, มีลูกบิดนะมีคันมีสายคันต่างๆก็เลยอธิบายให้ฟังพระราชาพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ก็เข้าใจแล้วก็บอกว่าให้ผ่าพินเนี้ยออกเป็น10เสียงร้อยเสียงทำให้เป็นส่วนน้อ ย, อยแล้วก็เผาด้วยไฟทำให้เป็นขมเหมวบทให้ละเอียดแล้วก็โปรยไปในลมแรงหรือว่าให้ลอยไปในน้ำนะด้วยคิดว่าอย่าให้ใครต้องได้ยินเสียงพินอีกเลยเหมือนกันเรานะจะต้องอย่าลหลงไหลประมาทมัวเมาในขันตั้ง 5. ด้วยความเป็นตัวเราของเราในลักษณะนี้ นะอย่ายึดถือในขันทั้ง5้าให้ทําโดยลักษณะเหมือนกับพินนะเพื่อด้วยความที่ไม่ต้องการได้ยินเสียงพินอีกต่อไป<ะ>อันนี้เป็นอุปมาอุปไม้ที่ที่ไม่ได้เคยมีอยู่ในเล่มหลักๆหนังสือเล่มหลักๆที่เราได้ได้ศึกษากันแต่ว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าได้ตรัสถึงอยู <c oughs> อ่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในฉับปานสูตรนะครับ พระเจ้าตรัถึงคนที่เป็นแผลมีตัวผู้พองนะเป็นแผลผู้พองเนี่ยพอเข้าไปในป่ายญาคาหรือแม้หน่อยหาคาเนี่ยก็จะสามารถตำเท้าของบุคคลนั้นได้ใบยาคาก็จะบาดตัวผู้พองได้เหมือนกันการที่ภิสูจนเนี่ยหรือใครบางคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านเนี่ยไม่เป็นผู้ระวังหนาแห่งชาวบ้านเนี่ยก็จะ ต้องถูกบาดถูกพูพองได้ก็คือพูดถึงเรื่องการสำรวจอินทรีย์ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนะ น, นี่เป็นการรวบรวมอุปมาอุปไมที่เกี่ยวกับอินทรีย์คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเนี่ยให้มาดูว่ า, ามีอุปมาอุปไมเหมือนอะไรบ้า ง, างนี้ก็เท่ากับว่าเราโดยเฉพาะคนที่อาจจะศึกษาแต่เฉพาะหนังสือในชุดพุดทธวจนะจากพระโอษฐ์เนี่ย ไม่เคยได้ยินมาก่อนในเรื่องเหล่านี้ท่านพิบูลก็ไปรวบรวมมาให้ในโอกาสของวันพุทธศุกพิเศษในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะได้พยายามให้ท่านได้ในสิ่งที่พิเศษมากกว่าในช่วงนอกพรรษาแต่จริงๆแล้วธรรมะของพระพุธทธองค์นี่ต้องบอกว่าพิเศษทุกข้อนะคะนี่ค่ะสอดคล้องกันด้วยค่ะแม่อุปมา อ, อ, อะไรนะคะบุรุษหยดน้ําบนเพารถบทหยดน้ํามันเนาะค่ะหยดน้ำมั น, นะะบนเพารถหยดน้ำมัน พอที่จะให้พลารถขนของไปได้ใช่คือถ้าหยดมากมันไม่ดีเลยนะคะอันนี้ในแง่ข้อเที่จริงอะคะอ่ะหยดมากมันก็เปลืองเยิม้มค่ะแล้วก็จะทําให้เลอะเทอะส่วนอื่นๆมันไม่จําเป็นไม่ไม่จําเป็นเกินพอดีเช่นเดียวกันก า, การรับประทานอาหารต้องถ้ามากเกินไปก็จะเป็นผู้ที่มีโทษเพรอาหารอ๋ออันนี้เปรียบในเรื่องการรั บ, รรบประทา น, นาเลยนะคะมากเกินไปมันไม่ดีใครที่ไม่เคยทานอาหารแบบท้องไม่เต็มที่ เสเลยทีเดียวเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลองทำสิคะท่านจะรู้ว่ามันสบายมากขึ้นตัวเบาอันนี้อันนี้ตรงกับคำสอนด้วยใช่ไหมครับใช่พระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ยินดีในอภรณชนะมือเดียวให้ฉันมือเดียวค่ะและการไม่สมรวมอินทรีย์ในส่วนที่ให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรมและพระพุทธองค์ทรงประทับสียาสยาติใช่คะเพราะว่าทรงไม่สบายทรงประชวร ปวดหลังไม่หลัง อ, อันนี้ก็เท่าที่เห็นนะก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่นอนฟังธรรมคนอื่นไม่มีรออนอกจากภิกษุผวยนี้ยกไปกัวนคือเคารพธรรมก็คือหมายถึงว่านอนประทับเสียสายาฟังธรรมแล้วก็ให้พระโมคคัลลานะครั้งหนึ่งเรออ า, ศ า, ศาพาษาร<ะ>ิบรุคร<ะ>ั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ท่านบูรพูดแบบนี้ดิฉันเข้าใจว่าผู้ฟังทั้งหลายตกใจเพราะว่าบางท่านเนี่ยเพิ่งตีห้าหนึ่งตีห้าครึ่อาจจะนอนฟังรายการเราตลอด <c oughs> ไม่เคยอยู่ในท่านั่งเลยก็ได้นั่นแหละนอนเสียสิยาด้วยนะค่ะแต่ถ้าคนธรรมดานอนฟังธทำได้ไหมคะท่าน อ, อพระรุจ่าไม่ให้นอนถ้าไม่ป่วยนะถ้าอยู่ต่อหน้ากันไม่แสดงธรรมกับคนนอนอย่เว้นป่วยย่เว้นอาภาษอ๋อเลยคะ่ะเพราะว่าอันนี้วิถีชีวิตของคนสมัยใหม่นะคะแม้แต่กระทั่งตัวเองเนี่ยมีบางช่วงเนี่ย ถ้าทุกวนเลยก็ว่าได้จะเปิดเทศธรรมะฟังนอนฟังไปนะคะท่านถ้าถ้าจะมาเช้าจะมาก็จะเป็นผู้คน่ายนอนในการแสดงธรรมพวกกรณีของถือร่มสวมหมวกสวมเขียงเท้าพวกนี้ก็ไม่ถ้าไม่อาภายเราไม่แสดงธรรมให้ผู้นิฟังคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นการแสดงธรรมโดยเฉพาะเจาะจงพระที่ทราบพระวินัยดีก็จะไม่แสดงธรรมจะหลีกเลี่ยงว่างกันเถิดดิฉันก็ยัง ไม่อยากจะให้ท่านที่บอกว่ามันไม่สะดวกฟังตอนไหนเลยเลิกฟังไปเลยดีกว่าอย่าไปเลิกนะคะก็ฟงะะงังไปเถอะค่ะจะฟังไปเถอะแตมาไ ม, ะะไม่ทราบ <laughs> เพราะว่าไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เป็นเรื่องการนิมนต์พร ะ, ะไปแสดงหรือแสดงเฉพาะหน้าอาจจะมีโยมบางท่านแก่ๆเนี่ยะคะ่ะก็อาจเคยเห็นนะคะเคยเห็นนะคะว่าคนแก่ๆบางทีไปวัดแล้วท่านไม่ไหวท่านก็เอ็นหลังฟังธรรมเหมือนกันนะค ะ, ะนั่นคือกรณีป่วยไง ป่วยนี่ไม่มีปัญหาแล้วยังเป็นอาภาษณ์เดนะคะแม้ความจริงญญาสาระสาคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะอยู่ที่ตัวพระสูตรที่ฉันจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงมากขึ้นว่ากรณีที่พระพุทธองค์ทรงเมื่อหลังแล้วประทับสีหาสายญาตให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องสํารวมอินทรีย์คือเปรียบเหมือนเรือนไม้อ้อล่ะคะที่แห้งอย่างดีนะคะแล้วเอาตัดตอนสรุปง่ายๆว่า ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามีใครถือคบเพลิงเข้ามาเนี่ยมันไม่ไฟได้มีได้ช่องได้ได้เหตุได้เสี่ยงมากนะก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนว่าการที่เราไม่สัมรวมอินทรียเนี่ยมันจะได้ช่องมันก็จะได้ช่องมันก็เปรียบเหมือนไฟใช่นะครที่อาจจะเผาผลาญเราจนหมดจนสิ้นก็ได้ถ้าอินทรีย์นั้นมันพร้อมที่จะถูกไฟไหม้คือไม่สัมรวมอย่างเต็มที่ค่ะอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องคนมีแผลผู้พองอเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าหญ้าคา อ, อันตรายมากขนาดคนไม่ต้องมีแผลเลยนะคะท่านพูดถึงคนธรมธรมดาธรรมดานี่ผิวหนังราบเรียบเดินเข้าไปในป่าหญ้าคาที่หญ้าคาเหมือนคมใช่มันก็เกิดอันตรายได้แต่นี้พระพุทธองค์ทรงอุ ป, ปมา ก, กับคนที่มีแผลผู้พองอก็เปรียบเสมือนคนไม่สำรวมอินทรีย์ ถูกต้องะจะต้องถูกบาทถูกอะไรเจ็บอีกอุ ป, ปมาหนึ่งอะไรนะคะทีฉันไม่แม่นยํามไม่ใกล้จะพูดอาจจะผิดพูดถึงเรื่องของน้ำนํำน้ําข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหน้ามีน้ำหมดเลย ค, คนบุรุษที่เข้าไปในป่าน้ําเนี่ยต้องมีเดินกลับเดินไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความระวังมีสติด้วยความระวังว่าน้ําอย่าเบียดเบียนเรา เ, เหมือนกันในอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ย คือห น, นามในธรรมวินัยนี้ค่ะต้องระวังไปอย่างดีค่ะอารมณ์ที่มากระทบต่างหูชูกลิ้นกายใจทั้งหลายแหละและที่บอกว่าเวลาความเร่าร้อนความขัดเคืองเกิดขึ้นอันนี้ในอุปมาเดียวกันหรือเปล่าคะว่าต้องรีบขนาบอย่าให้เกิดขึ้นอันนี้พูดถึงโครหรือวัวที่ลงแอบไปกินหญ้าคาคะ่ะแอบไปกินหญ้าคาว่าต้องสั่งสอนมันซะครั้งที่สองคั้ที่3ามตีกระนำปูกสนตะไครสอน แต่วเขาก็จะระลึกถึงโทษของการตรงนี้เขาก็จะไม่ไปทําอีกเหมือน <Okay. S 1> กับจิตเราเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องเลยรวมแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมดใช่ว่าวการสำรวมอินรีย์ต้องสํารวมอินทรีย์วันนี้ได้หลายประสูตรมากเลยนะคะคุ้มค่าที่ท่านนั่งฟังกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงนาทีนี้ซึ่งได้เวลาที่จะลากันไปอีกแล้วนะค ะ, ะดิฉันเองก็ต้องนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุลโน ซึ่งท่านอยู่ไกลถึงอุดรธานีนะคะแต่ก็มีหลายครั้งที่ท่านได้เดินทางมาในห้องส่งเพื่อที่จะมาตอบคำถามในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนี้วันนี้นมัส ก, การขอบพระคุณค่ะจ้จะเตืนพอท่านฟังที่เคารพค่ะส่วนรายการของเรานะคะในเรื่องของซีดีกับแผนแ่นพับตถาคตภาสิทธ์นก็ยังคงแจกกันเหมือนเดิมมีหลายท่านสนใจบอกว่า อยากจะร่วมทําบุญในลักษณะของการสร้างสื่อธรรมะนี้บ้างเอาไว้เดี๋ยววันต่อไปมีโอกาสดิฉันจะนาเอามาแจ้งให้ท่านกันละวกันนะคะว่าช่องทางนั้นเป็นอย่างไรบ้างในเท่าที่ส่วนที่ดิฉันสัมผัสอยู่นะคะวันนี้ก็ลากันไปด้วยการที่ขอให้ทุกท่านมีโอกาสน้อมนาเอาพุทธวจะนะไปใช้เถิดค่ะแล้วท่านจะได้พบกับความสวัสดีนะคะพุทธวจนสวัสดีคะ่ะ